ขอความเจริญในธรรมจงมีงงแต่ท่านผู้ฟังงหลาไรแต่หลงระพุทธญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องสมมาวะสมมา ว, วจาอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นการนำข้อความจากพระพุทธธรรมรัตบ้างพระโพธศาสตร์บ้างตลอดถึงพระเทราะอารหันบ้างมาเสนอโดยในญาติต่างๆเพื่อมองเห็นความหลากหลายเท่านั้นเอง แต่วเนื้อหาสาระทั้งหมดก็คืองดเว้นจากทุจริตและประพฤติในมัจีสุจริตคือพูดในเรื่องมัจีสุจริตในข้อต่อไปเป็นคำกล่าวของพระโมสดปพธิสัตว์ในเรื่องทศชาติตั้งกล่าวไว้ว่าผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดิน มีปัญญามากปัญญาหนักแน่นมั่นคงไม่โยกครอนหวั่นไหวด้วยสื่อต่างๆก็ตามปกติล้ท่านเหล่านี้จะไม่พูดพลอยๆก็เรียกว่าพูดเป็นอัดเป็นธรรมมีที่ไปที่มามีหลักมีฐานเรื่องมังเรื่องเนี่ยแม้จะเป็นที่สนใจพอใจของผู้ฟัง แต่เมื่อท่านมองเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์นก็ไม่พูดเรื่อ ง, น, อนะองนั้นครานี้บุดูตัวอย่างการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่ไม่พยากรณ์แต่ว่าพอดีคนฟังเนี่ยมันไม่ไม่มีพื้นฐานที่จะเข้าใจเรื่อง น, อ น, นั้นได้พระเจ้าก็ไม่ส่งพยากรณ์ แต่ว่าพอคนฟังคนหนึ่งก็มีพื้นฐานสามารถจะเข้าใจได้ก็ทรงมีวิธีการสื่อสารในเรื่องนั้นแหละแต่ว่ามีวิธีการสื่อสารที่ยก้เกิดความเข้าใจอย่างที่เรานำไปกล่าวอ้างกันว่าพู้เจ้ามาทรงพยากรเรื่องอันตรายการทิฏฐิสิบประการ โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพปันนั้นสริระอันนั้นชีพอันณ์อื่นสริยะอันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิอดอีกย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิอดอีกย่อมไม่เป็นอีกก็ที่จริงก็ไม่ใช่ไมนน่ถงแสดงแต่เนื่องจากมันเป็นอัตยถาธมวิทยามันเป็นระบบประจาชั้นสูง คำแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายแล้วคนก็ปักใจกันคนละเรื่องกันฉันชีพกับสิริระเนี่ยหมายความว่ายังไงบรรดาว่าใครพูดอะคําว่าชีพสริระเนี่ยเราก็ต้องพยายามนิยามเรื่องเหล่านี้ออกมาให้ได้แต่ก่อนเวลาจะทรงแสดงก็แสดงไปรูปที่เป็นกระบวนการผลแ้่เราไปดูในที่บางแห่งว่าเอ๊ทาไมไม่ถึงแสดง เพราะคนฟังไม่มีวุฒิภาวะมากพอที่จะเข้าใจเรื่องลึกซึ้งขนาดนั้นนะคล้ายๆกับเราไม่เอาว่อภิปร ญ, ญายอธิบายกันเด็กอนุบาลหรอกมันก็พูดอีกเรื่องนึงกับเด็กอนุบาลแต่ไม่ได้หมายความมาอภิปรญญาพูดไม่ได้เพียงแต่ว่าพูดกัใครเพราะว่าท่านเหล่านี้จะมองผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการฟังของผู้ฟังนะี่ย เป็นประการสาคัญแม้แต่การเะเทศการเรสอนธรรมะก็เหมือนกันก็ยกัยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้พูดอะไรพร้อยๆคือง่ายเกินไปบางทีนี่เราบางก่อนได้ฟังรายการธรรมะแล้วฟังแล้วเขาก็ตกใจนะฮะเวทําทไมกล้าพูดกล้าหารจานใจขนาด คือไปพูดว่าถ้าหากว่าสามารถไปเรียกใหรคือพูดโน้มน้าวติดใจ ค, คนซึ่งไม่พร้อมจะบริจาคให้บริจาคไปสร้างเจดีย์ให้เขาได้นี่นะคือจะเกิดบุญเกิดกุศลเกิดปัญญาแตกฉานในธรรมะอะไรๆมากแล้วก็ตายไปจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ พ, พูดมากไปนะมันไม่มีหลักฐานในการรับรองหรอก บางครั้งบางคราวเนี่ยไปบีบคั้นใจิตใจของคนคนก็เกิดโทสะไอต้ตรงพูดพูดอย่างนั้นพูดโดยโลภะมันใจไม่สงบทั้งคู่อ่ะแขว น, นึงอยากได้แขว น, นึ่งไม่อยากให้ไว้ชาวซีอ้อนวอนข่มขู่คุกคามหลอกล่อก็โดยวิธีการต่างๆก็ยิ่งเกิดโทสะทั้งโลภะทั้งโทสะเนี่ยมันเป็นโทษ ใจิตใจมันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์อกอันนี้คือคืออะไรก็คือว่าเป็นการพูดแบบพร้อยๆงั้นดูสภาพจิตของคนที่ถูกบีบคั้นให้บริจาคใจก็จะผ่องแพ้วเหรอแ้วแเราที่ไปบีบคั้นคนอื่นใจเราผ่องแพ้วหรือเปล่าเมื่อก็เปล่าทั้งสองอย่างเพราะฉันคนที่มีปัญญา หนักแน่นเนี่ยเขาจะไม่พูดฟอยๆอย่างนั้นนะผู้เล้วเรารับผิดชอบไม่ได้แม้แต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเต่ปพูดไปถ้าคนฟังก็เสียใจตรงอดเรยนไปพูดยังมีนักแสดงคนหนึ่งเป็นแบบพวกไร่ลำทั้งหลายเยนะี่ย ก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าครูบาอาจารย์ก็สอนมาว่า ก, การเล่นการแสดงอย่างที่พวกเขาเล่นพวกเขาแสดงเนี่ยมันให้ความเบิกบาน ห, หัลลิขันแก่ผู้ดูก็เป็นการทําบุญตายไปแล้วก็จะบังเกิดเป็นเทวดาที่มีความแช่มชื่นบันเทิงใจอยู่ตลอดเจ้าเวลามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่า พระเจ้าทรงปฏิเสธว่าอย่าถามเลยจันก็เส้าซีขอรู้ไว้จนได้ก็รับสั่งว่าประเดี๋ยวต่อไปเธอจะเสียใจเราไม่ควรจะถามจันก็อ้อนวอนขอร้องว่าไม่จะใจหรอกพระเจ้าทรงแสดงว่ามันไม่จะเกิดทามสวรรค์หรอกเพราะว่าใจคนไม่มีราคะคุณไปกระตุ้นนะก็เกิดราคะ แต่เขายังไม่มีโลภะคุณกระตุ้นให้เกิดโลภะแต่เขาไม่มีโทสะคุณกระตุ้นให้เกิด โ, ดโทสะแต่ก็คุณ้นกันทั้ทั้งทั้งคู่ตัวเองก็มุ่งในการด้วยโยนให้เพลิดเพลินคนฟังก็จิตใจก็อ่อนไหวไปตามกระแสะการแสดงถ้าลองสังเกตดูจิตเราเองนะฮะเวลาเราดูละครดูภาพยนตร์ดูอะไรก็ตามให้ดูที่จิตเนี่ย คือเ ร, จราจะเห็นว่าจิตเราไม่ปกติแล้วถ้าไปอินกับบทที่เขาแสดงมากแล้วไปเลยนะปะร่อยร้องไห้พอยวิตกกังวลพรอยเสียใจนะฮะบางทีแม่ยกลิเกแม่ยกอะไรต่างๆไป็น่วงพระเอกนอนไม่หลับโดยต้องติดตามจนกว่าจะเรื่องเหล่านี้จะจบยังก็แสดงว่าใจก็ไม่สงบจะไปสวรรค์ได้ยังไง เพราะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยจะไม่พูดพร่อยพ้อเาเหตุแห่งคนอื่นหรือวพาเหตุของตนเองเรื่องบันเรื่องเนี่ยมันไม่จะถึงก็ต้องยอมทำบาปเพื่อจะเอาใจใครคนใดคนหนึ่งจะสมมตว่าคนทำชั่วทำผิดอะไรแล้วเพื่อจะปลุกปลอบจิตใจเขาสบายแล้วก็พูดปฏิเสธหลักของธรรมะ แต่ต้องกลัวรอกนรกสวรรค์ไม่มีหรอกทําใจสบายได้อย่างอย่าเห็นไปลงทุนทําชั่วลงทุนพูดเท็จรู้ได้ยังไงมีไม่เมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเมีแต่บัณฑิตนี่เขาจะไม่พูดเขาจะไม่ยอมเสี่ยงตัวเองให้เดือดร้อนขนาดนั้นหรือพูดได้คนอื่นก็เดือดร้อนคนที่มีวาทะอย่างนี้มีวาจาอย่างนี้ ็ย่อมเป็นที่มีผู้บูชาในทํากลางชุมชนและท่านแสดงเอาไว้ว่าแม้ตายไปในภายหลังในจะ บ, บังเกิดในสุกติแลย้ยนี้มีตัวอย่างบุคคลเยอะนะในโงค์วิมานวัตถุต่างๆภูติราคาถาเทริกคาถาเนี่ยจะมีตัวอย่างวัตถุเยอะคือคนที่เปล่งวจีสุจริตนี่ บางคราบางคราวแม้แต่ชี้บอกถนนหนทางให้คนอื่นแต่ก็ททำด้วยความมุ่งดีปรารถนาดีแต่เล่าถึงกุลธิดาคนหนึ่งมีฐานะยากจนบ้านเธอนี่ยอยู่ไม่ห่างกับบ้านเศรษฐีที่่านตั้งโรงทานก็เปิดบริจาคทานแก่คนทั่วๆไปเธอไม่มีอะไรที่จะร่วมสมทบหรอกแต่เธอก็ไปยืนอยู่ที่ทางสีแพร่ง แล้วก็สอบถามถ้าใครต้องการแว่วงเศรษฐีจะก็ชี้ทางให้ตอนนี้ก็ตายไปแล้วบังเกิดในสุกติในการต่อมาก็ได้มาบังเกิดแล้วก็เป็นเมสีของพระเจ้าอาโศ ม, มาราชื่อวัสันธพิตามีนิ้วสวยงามไม่มีรูข้อนะฮะสวยงามผลจากการชี้บอกถนนน้นทางให้ น, นั้นพระโมหสดจนจึงแสดงนะฮะโมหสดันจึงแสดงว่าวจีสุจริตสุดจดิตเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นการสร้างทางเพื่อบังเกิดในสวรรค์ของบุคคลเหล่านั้นและอีกข้อหนึ่งคือพระวังคีสะองนี้เป็นพระอารหันต์ที่แตกฉานในทางปฏิภาณนะฮะ หรือเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นร้อยแก้วนะร้อยแก้วเป็นความเรียงธรรมดาพระเจ้าเองจะทรงใช้ภาษาง่ายๆนะเทศสั่งสอนอะไรสื่อสารได้ง่ายๆบางทีประวังคิสาท่านก็ขอโอกาสขอเรียงเป็นกรอนเลยเป็นฉันนะเอามาเป็นร้อยแกลงอ่าร้อยแก้วเออเามาเป็นร้อยกรอนร้อนฉันต่างๆเนี่ย เป็นฝีมือของระวังกีต้าอยู่คือยังนึกอยู่ว่าประสูตรบางประสูติที่ต่อมาที่เป็นสรรเนี่ยแล้วเวลาเนี้ยผู้อินเดียเอาไปประกอบดนตรีเอามาเหมือนก็ร้องเพลงนะฮะพวกสัรลักษณ์ต่างๆที่พระเอาไปเจริญพรพุทธมนตรในพิธีมงคลเนี่ยพวกนี้ก็เข้าดนตรีประกอบดนตรีแล้วร้องเป็นเพลงได้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นเพลงอยู่โดยธรรมชาติ ว่ายัาง น, น, นึกอยู่ว่าพระเจ้าทรงแสดงเองหรือประวังขีสาเอามาร้อยกรอของเป็นคําฉันขึ้นมาก็ไม่รู้แต่ว่าท่านได้รับพรพิเศษจากพระพุทธเจ้าคือท่านขอประทานพุตรอนุญาตว่าบางครั้งท่านอยากจะรียบเรียงพระสูตรที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นฉันเพื่อเข้าใจง่ายนะฮะแต่ว่าความมันก็ยากขึ้นนะคือเป็นฉันนี่ก็แปลความยากขึ้น เพราะว่ารบคุมความหนักเบาของคําไม่ได้มันต้องการคารู่ลาหูทีคาราซาอะไรอะไรอีกเปด้นมไนในข้อนี้ท่านกล่าวเป็นการสัเรญเสินวาจาของพระพุทธเจ้าวา่าพระพุทธเจ้าสัตววจาใดาเป็นคาปลอดภัยเพื่อบรรลุ ะนิพพานและเพื่อทําที่สุดแห่งทุกประวาจานั่นแหละเป็นที่สุดแห่งวาจาทั้งหลายหมายความใครจะพูดเรื่องอะไรก็พูดไปแต่สุดยอดของคำพูดเนี่ยคือคนฟังปฏิบัติตามที่พูดแล้วเนี่ยสามารถได้บรรลุมรรคนิพพานถึงเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วใครก็ตามนะที่กล่าวก็เรียกว่าให้ ให้ธรรมะเนี่ยชื่อให้ผลที่เป็นอมตะติทรงยกย่องวสบดานังธรรมราดังชินาติผู้ให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงในที่นี้ท่านกล่าวสรรเสริญและเป็นสิ่งที่สัมผัสคืคอพระวังทีสะในท่านมีประสบการณ์ท่านเป็นคนแปลกคือเก่งเรียนมนต์สามารถไร้มน แล้วข้อศีรษะคนตายในรู้ว่าคนเนี้ตายไปเกิดที่ไหนต่อมาคนก็มาเที่ยวหากินนะฮะพวกพวกพรามก็ใช้เป็นเครื่องมือในการหากินคล้ายๆกับเล่นปาหี่แสดงคนนั่นเองแต่พอเข้าเมืองสาวัตถีนี่ไม่มีใครสนใจพอสอบถามทราบความว่าคนไปสนใจที่พระพุทธเจ้าต้องการไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้ากัน แกก็เลยขอเราฟังด้วยแล้วเพื่อจะยกย่องให้ท่านภาคภูมิใจในตัวท่านเองพระเจ้าก็ให้ไปเอาศีรษะคนมาสีสศีรษะเมื่อเธอเคาะดูเธอบอกเธอบอกถูกสามสศีรษะแรกเนี่ยบอกถูกพระเจ้าก็ส่งอนุโมทนาสาธุการให้แต่พอถึงศีรษะที่สี่เนี่ยท่า น, ท, านท่านไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหนเพราะเป็นศีรษะพระอระหรันต แล้วเกิดสนใจก็อยากจะเรียนจากพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าก็บอกว่ามันต้องบวชก่อนจึงจะเรียนได้แล้วก็เสร็จแล้วก็บวชเนี่ยตรงใช้คำว่าพุทธมูลพอบวชก็ทรงสอนในสาทยายการสามในสองเด็กหนุ่มนะฮะอายุยี่สิบกว่า สายตายายผมขนเลือกผนหนังเลือกเอ็นกระดูกเกื่อยในกระดูกเนี่ยเพื่อพิจารณาเห็นเป็นความปฏิปูลน่าเกลียดไม่ไม่สวยงามต่างๆเนี่ยตัวพระนุ่งุมมันก็อดจะอ่อนไหวไปกับเรื่องสตรีเพศไม่ได้ท่านเองก็อ่อนไหวไปหลายครั้งแต่ท่านซื่อตรงนะฮะท่านอันจิตใจท่านอ่อนไหวท่านก็ออกสารภาพทุกสิ่งลยในในที่สุดเนี่ยท่านก็เอาชนะความคิดตัวเองได้ โดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเพราะฉะนั้นท่านก็ทราบซึ้งในประเด็นตัวเนี้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยจึงเป็นคําที่ปลอดภัยปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายแล้วก็มุ่งเป้าหมายไปสู่พระนิพพานคือพระพุทธเจ้าสอนนี่เขาเรียกว่ามีอรหัตเป็นยอด หมายความว่าเป้าหมายสูงสุดเนี่มุ่งไปสู่การบรรลุมรรคผลเป็นพระอราหันต์แต่คนจะไต่เดินไปได้ขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเขานี้พึ่งสังเกตนะตอนท้ายของศีลเนี่ยติโบสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโปกสัมปทาศีเลอนะนี้พุติยันติอนิสมาศีลงังวิโสทะเยเนี่ยแปลว่าบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะศีลจะสมบูรณ์ละพวกกสสมบัติได้ก็เพราะศีล จะบรรลุผลนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงชำระศีลให้บริสุทธิ์โปรเจดนั่นก็แสดงว่าการเป็นบันไดที่ไต่ว่าเราจะรักษาศีลได้ลึกซึ้งขนาดไหนล่ะแต่เช่นส ม, มุติวาจาเนี่ยแม้แต่คิดจะพูดเท็จก็ไม่มีมันมีเมตตาต่อคนที่พู ด, ด้วย แล้วก็พูดนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเป็นธรรมมีประโยชน์ผู้ฟังในระฟังแล้วนี่รับประโยชน์จากการฟังก็จะรับสั่งวาจาเช่นนั้นเหมือนบาอาจารในลักษณะนี้เมื่อปฏิบัติตามแล้วก็นําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เจ้าบางคราวบางคาวก็รับสัน ง, ง่ายๆสั้นๆเนี่สมาทิงพิกเวภะเวทะสมาหิโตโอยาถาปูธังวาจานาติ ดูความพิสูุทั้งหลายเรือทั้งหลายจงทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นเพราะคนที่มีใจเป็นสมาธิจะรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วถ้าคนจเจริญสมาธิเขาก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่การรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เหมือนกับเรากินขนมกินอะไรเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเนีเรารู้แค่เราคนเดียวคนอื่นไม่มีโอกาสที่จะไปรับรู้ด้วยนั่นคือผลที่มันเป็น ปัจุบันก็ได้แล้วก็จนถึงศูนย์สุดที่ท่านใช้กันว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยเป็นจำนวนบาลีหน่อยนะฮมายความว่าคนฟังและปฏิบัติตามเนี่ยจะหลุดพ้นจากความทุกข์ตลอดถึงมรรคผลที่ผ่านในที่สุดนะฮะเรียกว่าหลุดห ล, ลุดทนจากสังสารและทุกแล้วก็ในข้อต่อไปเนี่ยเป็นระวังคีสะเหมือนกัน ก็ได้กล่าวประมวลพระพุทธบัตรของพระพุทธเจ้าไปทรงแสดงเนี่ยวสัจยังเวมาตาวาจาเอสัทโมสนันตันโแปล ว, ว่าคำสั์นั่นแหละเป็นวาจาที่ไม่ตายแต่นั่นเป็นของเก่าคือปูยาตายายโบราณนะฮะท่านพูดกันมาอย่างเนี้ยท่านดีถือประพฤติปฏิบัติเรื่องรักษาสัจจะคนสมัยโบราณในรักษาจริงฮะ จะลองนึก ด, ดูว่าประตูเมืองของพระพุทธเจ้าพระเจ้าโอกาการาสเนี่ยพระมเมสสีเก่าที่วงคตไปมีพระราชโอรสทิ้งเอาไว้ทั้งสี่องค์พระราชดิยาทั้งห้าพระองค์มีทั้งเก้าพระองค์นะและท่านได้มเมสสีใหม่ก็ยังสาวแล้วก็ก็ประสูติพระราชโอรสออกมาจยกกลายเป็นองค์ที่ห้านะฮะ เกิดดีพระไทยก็ขอให้นางเลือกในสิ่งที่ตนต้องการต่อมานางขอราชสมบัติแก่พระราชโอรสจนด้วยเก้านะฮะเลยต้องให้นะให้ลูกชายลูกสาวไปสร้างบ้านเมืองอยู่ใหม่ที่กลายเป็นราชวงศ์สกฤะาราชวงโกริยะในการต่อมาเนี่ยนั้นก็สิ่มเรื่องวอจากวาจาที่พูดออกไป แต่พูดด้วยความดีใจนะดีใจเกินไปแล้วก็สวนมากพูดดวความรักก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็พราดคือลิ้นพังคอตัวเองแล้ในสุดมันก็แก้ไขกันยากหรือเท้าทศรถในเรื่องราวมาเกียนที่พฟังวาจาให้นางกายเกสีเลี้ยวพรตามที่นางต้องการและในการประมานางก็ขอราชสมบัติให้แก่พระพรต จึงก็เป็นเนให้พระรามต้องให้ไม่ใช่ท้าทศรถต้องให้พระรามพระลักษมังศีดาไปอยู่ป่าสิบี่ปีคือดูแล้วมันก็แปลกอ่ะมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่อ ง, องไอ้สิบี่ปีนี่หมายความว่ายังไงเราไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าในมหาพาตยุทธ์เนี่ยพวกก ษ, ษัตริย์ปานดบ ก, ก็เดินป่าสิบสี่ปีเหมือนกันแล้วกลับมาเอาสมบัติได้กลับมามันก็รบกัน ก็รบกันก็ไิสืบสงครามอย่างในพระรัตยุทธ์มันก็รบกันพี่น้องก็รบกันพวกทุระยุทธกับพวกยุทธิเตจียนเนี่ยก็รบกันเดี๋ยร์พระยาพี่น้องก็ฆ่ากันเองก็ตายเกลื่อนทุ่งรุกษ์เศษอันนี้ก็สิบสี่ปีเหมือนกันแต่ว่าพอดีมันเหตุการณ์มันพลิกผันแต่ก็เป็นข้อยืนยันนะว่าคนโบราณเนี่ยเขาเรื่องรักษาวาจาเนี่ยบ้า และกติไทยเราเองก็มายึดถือประพฤติปฏิบัติกันนะเพียงแต่ ว, ว่าปัจจุบันมันค่อนข้างขาดแคลนอย่างโบราณในท่านบอกโบราณไม่มากเท่าไรสมัยกันที่หกเนี่ยเสียศีลสมเมืนสักไว้วงหงเสียสักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดํารงความสัตว์ไวน้นาเสียสัตว์ไปเสียสู้ชีพมวยมรณามันแสดงว่าให้ความสําคัญแก่สัตวจาไว้มาก แต่ว่าไอ้ความจริงอย่างเดียวเนี่ยมันเอานิยายไม่ได้หรอกผมนพระเจ้าก็ไปแสดงมาสัจเจอเทจะทมเมจา่าหุสันโกปฏิติตาแปลว่าสัตบุตรคือคนฉลาดหรือคนดีเนี่ยเป็นผู้ตั้งอยู่ไปตั้งมั่นอยู่ในคำสัตว์ที่เป็นธรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นธรรม สัจจะอัฏ ธ, ธรรมะนะสามคำเลยสัจจะก็คือจริงอัฏก็คือเป็นประโยชน์ธรรมะก็คือเป็นธรรมก็รวมแล้วว่าองค์ประกอบที่ทรงแสดงไว้ในภัยราจากุมารสูตรเนี่ยซึ่งวาจารที่พระองค์ทรงแสดงกระทรงจำแนกวิจารไปเป็นหกประเภทแล้วพระเจ้าจะรับสั่งวิจารแค่สองประเภท คือหนึ่งเรื่องจริงคือสัจจะในสองจริงสามอัฏฐคือเป็นประโยชน์สี่ก็ธรรมะก็คือเป็นธรรมสามสามเลยนะฮะสามสามเป็นธรรมเดีวก็สี่คนฟังไม่ชอบใจแต่รลงบรุการที่จะกล่าวรับสั่งวาจาเช่นนั้นมีจุดบกพร่องอีกจุดหนึ่งคือคนฟังไม่ชอบใจนะฮะแต่วาจาประเภท คือสรงเรียงลำดับอันนี้ประเภทที่สามนะและประเภทที่หกเนี่ยก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะเป็นธรรมมีประโยชน์คนฟังชอบใจครบสมบูรณ์เลยองค์ประกอบสี่ประกานแต่ตาคตก็รู้การที่จะกล่าววาจาเช่นนั้นคือแม้จะคนฟังจะชอบใจก็ต้องดูกาาเทศะเหมือนกันไม่จะ่าพูดได้เสมอไป นี่ก็เป็นหลักการเรื่องวาจาเป็นปริยายที่ทรงแสดงไว้โดยในย่ยาวาจาเช่นนั้นคือแม้คนความแก่ชอบใจก็ต้องดูการรัเทศากดิ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าพูดได้เสมอไปนี่ก็เป็นหลักการเรื่องวาจาเป็นปริยายที่ทรงแสดงไว้โดยในญ่า ต, ต, ต่างๆอัตมา ก, ก็ไปดึงมาจากพระพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อให้เห็นว่าเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ยุคข้อมูลข่าวสารยสื่อสารเวลานี้เรื่องวาจาเนเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วก็เชื่อยากขึ้นทุกวันนะฮะคือเป็นเรื่องที่น่ากลัวเราไปเกี่ยวข้องกับคนในวงราชการบางพวกบางคนบางเรื่องเนี่ยเราสลดหดตัวเอ๊ะทำไมคนเขากัวหกกันหน้าเฉยตาเฉยอย่างนี้ล่ะและต่อไปจะรู้อะไรจริงหรืออะไรเทศเราก็ไม่รู้เหมือนกันกวามการสำรวจมาจาจึงเป็นความดีท้องฟังทั้งหลาย และลงพุทยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแ่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี